พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่9โดยหลวงพ่อยินถวายสันติสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่19เมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าวิธีพิจารณาปัจจัยสี่ วันนี้ออกบินทบาทเช้าไปสักหน่อยนะ่ะคณศรัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานเพราะว่าเราต้องไปตามดวงอาทิตย์แต่ก่อนเราต้องเจดโมงเจดโมงสห้านาทีเพื่อเผอเจ็ดโมงครึ่งไปบินทบาทเพราะเหตุไรเพราะว่ากลางวันน้อยกลางคืนมากแต่เดี๋ยวนี้มันกลางคืน น้อยละกลางวันมากเดี๋ยวนี้ออกบินรบาตวันก่อนออกบินรบาตหกโมงสี่สิบห้าแต่วันนี้ขยับลงมาแต่ขยับเร็วเพระสักหน่อยนะเป็นหกโมงครึ่งวันนี้ออกบินรบาตเห็นว่าพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมชาวบ้านก็ใสบาทไม่ทันตั้งหลายคนนะวันนี้ว <c oughs> ิ่งกันทะพัดระเพือห่างกันสิบห้านาที <c oughs> แต่ดูเวลาไปบินณบาดพอไปถึงที่จะรับบาทแล้วก็มองดูพระอาทิตย์มันสูงโดเดโอไม่ได้ถ้าอากาศวันไหนมันร้อนไม่ไหวอากาศมันร้อนเกินไปต้องขยับลงไปอีกต่อไปอาจจะเป็นหกโมงก็ได้นะบินรบาดเราต้องดูนาฬิกาก่อนวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อย สหวันพรุ่งนี้กลุ่มนักศึกษาดิษิ์นักศึกษามหิดลจะได้ลาสิกขาวันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่ย1สบดกลุ่มที่บอกว่าเจดสถาบันกลุ่มใหญ่ทั้งหมดมีนาคอยู่ส1บเอดจะบวชวันที่21ดเช้า คงจะนักศึกษามหิดนลาสิกขาพวกกลุ่มใหญ่ก็จะได้บวชต่อไปอีกหนึ่งเดือนคงจะลาสิกขาช่วงเดือนพฤษภานะแล้วก็พวกเราทั้งหลายที่เห็นเต็นที่กลางอยู่เนี่ยก็คงเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันเกิดของหลวงพ่อ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 เขาถือตามประเพณีของบ้านเมืองถ้าว่าเป็นวันเกิดไวยวุฒิคุณวุฒิที่พวกเรารู้จักมักคุณเคารพนับถือก็มาโดยที่ไม่ได้เชิญบอกกล่าวนี่ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะหลวงพ่อเองไม่ได้นิมนต์ไม่ได้มีดีการนิมนต์พระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของเราเราเกิดขึ้นมาแล้วกับปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่ง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 แต่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลังไหลมาเมื่อหลังไหลมาเราจะทํายังไงเราจะไม่ตอนรับขับสู้เลยมันก็ไม่ได้พวกกลุ่มที่ตอนรับขับสู้อีกชัวนหนึ่งที่มาตั้งโรงทานแสดงความจำนงแต่พระเนในวัดของเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่อยู่ในวัดใกล้ชิดเราจะเมินเฉยก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกัน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 เหมือนกับอายุของหลวงพ่อเนี่ยอายุแปดสิบอย่างเนี้เดี๋ยวนี้มันเสียไปเท่าไหร่เสียไปหกสิบแปดปีฮชแล้วยังไปดีใจเหรออายุเสียไปทั้งหกสิบแปดปีมันน่าจะเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเออชีวิตของเราอีกไม่นานแล้ว น, นั่นเองอีกยี่สิบปีเท่านั้นแ่ะเดี๋ยวก็จากแล้วนะเนี่ยเราพร้อมหรือยังนี่แหละ พวกลูกหลานคณะสัตยาญาณโยมทุกคนควรจะคิดอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อเนี่คิดอย่างนั้นสัตยาญาณโยมควรจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าได้อายุ ม, มากแล้วก็ดีอกดีใจเหมือนกับได้เงินมากๆอย่างนั้นได้เงินได้ทองได้สิ่งของเป็นที่พอใจมากๆหรือหั ว, หวเราะทั้งวันยิ้มทั้งวันแต่ได้อายุ ม, มากไม่ใช่เป็นอย่างนั้นะะจะไปยิ้มทั้งวันได้ยังไง พาะจูงเข้าหลักประหารเข้าไปเรื่อยๆจูงเข้าไปหลักประหารเรื่อยๆเดืน 9, 1, 9, 2, 9, 3, เอนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าที่เท่าไรเก้าที่แปดสิบก็ใช่แล้วยิงเป้าแล้วพยามัจจุราชหรือตัดคอแล้วพวกเราจะดีใจเหรอต้องคิดดูให้ดีสิที่หลวงพ่อพูดถ้าจะว่าไปหลวงพ่อพูดย้อนยุกนะ แค่ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดถ้าพวกไม่มีใครพูดเลยพวกเราก็ะจงหัวเราะทั้งวันพอถึงวันเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวกินเหล้าเมายาเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาเลี้ยงอะไรต่อมีอะไรเลี้ยงโตะเลี้ยงสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาตัวเองก็ยิ้มดีอกดีใจว่าเจะของได้อายุมันไม่ใช่เหมือนได้เงินนะได้อายุนะมันเสียอายุไปมากเท่าไหร่ เสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประกอบคุณงามความดีจึงจะถูกเออชีวิตของเรามากแล้วเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปแต่ก่อนใช่เราส ะ, สะแสวงหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกหลานเพื่อจะให้เป็นฟังเป็นฝาแต่บัดนี้อายุถึงขนาดนี้แล้วลูกหลานของเราก็ใหญ่หมดแล้ว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 บุญเก่าของพวกท่านทั้งหลายทำมาไม่ดีฮะชาติก่อนพบก่อนชาติก่อนเกิดมาแล้วก็ขี้เกียจทำบุญทำทานเห็นเขาทำบุญทำทานแล้วก็ทำทานดูถูกเยียหยามเขาอีกต่างหากทำให้งโง่ทาไมของตัวเองแท้ๆทำให้งโง่นักฮะเวลาเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเกิดมาทำมาค้าขายทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกิน เพราะเหตุใดเพราะอ น, นิสงทานไม่มีคนไม่มีอา น, นิสงทานเป็นอย่างนั้นละ่ะทำทำอะไรกุดกุดด้วนดวนทั้งที่มันจะเจริญขัด ย, ยันกบขยันวาทะก็เก่งจิปัญญาก็เฉียบแหลมเป็นด็อกเตอร์แต่ทรัพย์สมบัติเอาตัวไม่รอดก็มีมากต่อมากเพราะเหตุใดเพราะว่าบุญบา ร, รมีมันมองไม่เห็น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 ร่างกายของเราร่างกายของหงพ่อเนี่ยุดโสมลงไปเรื่อยๆจะไปที่ไหนทุกวันนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าการไปของเราเนี่ยจะเป็นเดือดร้อนคนอื่นไหมนะถ้าไปแล้วก็ไปแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาระของคนอื่นลูกสิทธิ์ลูกหาเขาก็จะบอกโอ้หลวพ่ออิ น, นทำไมโง่นัก ตัวเองสุขภาพไม่ดีขนาดนี้ก็ยังด้นด้านมาทำไม่นี่แหละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราสูงอายุขึ้นมาเราก็ต้องได้คิดมดทุกอย่างจะไปจะมาที่ไหนจะเดินไปที่ไหนจะอยู่จะฉั้นอย่างไรคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นอย่างหลวงพ่อกูเหมือนกันดูจะฉันหยกชั้นยาอย่างนี้ไม่ใช่ความสมัครใจแต่มาพิจารณาดูแล้ว ถ้าเขาบอกว่าไขมันในเม็ดเลือดของท่านสูงนะไตคิดจลายสูงนะคอเรสเตอรอลสูงนะเราก็ต้องฉันยาตามปฏิบัติตามหมอเขาสั่งบอกเขาบอกเพราะเขาตรวจดูแ ล, แล้วว่าเลือดของเราเข้มข้นอุดตันพร้อมที่จะอุดตันเส่นเลือดแตกในสมอง เ, เมื่อเส้นเลือดแตกในสมองก็เป็นอัมมาพึกอัมมาพลาดถ้ามากกว่านั้นก็เป็นอัมพาด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 พอท่านจะจากไปนี่กักรรมเก่าเคยทุบเคยตีเคยเบียดเบียนสัตว์มาก่อนเคยตีหัวตีหลังของสัตว์มาก่อนผลที่สุดบาปกรรมตัว น, นั้นเข้ามาเล่นงานเราเราก็เลยมาทุบผลภาพเมื่ออายุแก่เราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอีกเหมือนกันนะเพราะหลักของพุทธศาสนา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 ไม่นานพ่อค้านายทุนก็สนใจที่ตรงนั้นขายออกไปเลยได้กำไร เ, เกินขึ้นนี่แหละคนที่จะรวยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าคนที่จะจนแล้วซื้อเข้าไปแล้วก็เก็บดอกเบีย้ยกินผลที่สุดก็เลยดอกกินหมด เ, เพอรเพอๆนั้นจะเป็นเจ๊งอีกเพราะดินแปลงนั้นอีกต่างหากเพราะเหตุหลายสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็น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 บนย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทางหลายทั้งโลกนี้และโลกนานี่แหละหละักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาโลกนี้และโลกนาการสร้างคุณงามความดีทั้งเดี๋ยวนี้ทั้งวันพุ่งนี้ถ้าเราทําความชั่ววันนี้วันพุ่งนี้ก็มืดบอดถ้าไม่เชื่อก็ทดลองเลปลุกปรับนขึ้นมาเอามีดไปฟันหัวเขาวันนี้วันพุ่งนี้ก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วมืดบอดเลยล่ะเจนี่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 พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแต่นี้ท่านปาราบภิกษุการอยู่การฉันบริโภคปั จ, จัจสี่ด้วยความประมาทพอตายไปแล้วไปตกนรกไปเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเป็นเปรตพระตายตกนรกก็มีนะแห ม, ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะแอ พระเนี่ตกนรกนได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะเราเป็นพระแล้วฉันของชาวบ้านเราไม่ได้ซื้อได้หาเขาให้ด้วยศรัทธาพอให้ด้วยศรัทธาเสร็จแล้วเดี๋ยเราไปบริโภคโดยไม่คิดไม่อ่านไม่มีศีลจากนั้นเราไม่ได้พิจารณาซะก่อนจึงบริโภคตายไปแล้วตกนรกเป็นพระนี่คำพังเพยของชาวเชียงใหม่เขาบอกว่า พระเนี่ยเหมือนเราขึ้นรถบัสรถบัสหรือรถรถบัดรถทัวเนี่ยมือหนึ่งเกาะประตูมือหนึ่งเหงยียบเหยียบปากถังน้ำลักษณะอย่างนั้นถังน้ำมันคือนรกนะเหยียบปากนารกแต่ถ้าว่าเราทำดีนี่เกาะประตูรถทัวร์กระโดดเข้าไปใน รถทัวร์ได้เลยแต่ถ้าอาว่ามือของเราหลุดประตูรถทัวร์นะมือเกาะนะไปว่าหงายหลังลงนรกเลยใ่ใ้เพราะเหตุไรเพราะเราบวชอยู่ในตรงกลางตรงนี้นะไม่ใช่ของสนุกสนานนะพร้อมที่จะตกนรกพร้อมที่จะไปสวรรค์ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าคนโบราณเขาจึงให้ลูกหลานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทท่านจึงยกเป็น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 เราไม่ได้ทำให้เสร็จสวยมุดงามถึงเจะคลองผ้าก็าเถอะร่างกายนี่เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายในที่สุดอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้กอดบริโภคผ้าจีบอนจากนั้นก็บริโภคอาหารข้าไปเจ้าทานอาหารอย่างพงพ่อพะจัดอาหารเสรแล้วพงพิจารณาหลวงพ่อหลวงปู่ราดคำว่าธาตุเพิ่มธาตุ ถึงจะเพิ่มขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งแก่เจ็บตายก็ตามเรามาอยู่เราเพียงแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยต้นไม้รดน้ําต้นไม้ให้มันอยู่ได้เท่านั้นเองถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารอริดอร่อยขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ผลที่ส่วนก้อนหนึ่งที่สุดของชีวิตเพราะนั้นเราบริโภคปัจจัยสี่เราทานอาหารเพียงเพื่อให้อยู่ได้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 ยามาจากต่างประเทศยาดีที่สุดขนาดไหนก็ไม่มีใครเจ้าของบริษัทยาเนะี่ยที่ว่าดีที่สุดก็ตายไปแล้วแบบมีลือกี่รุ่นกี่เรากี่คนมาแล้วแต่เราจะอยู่ได้อย่างไรอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงจุดจบถึงจะรักษากเพียงแต่ว่ายายา เ, เหมือนกับสิ่งที่มันรั่วกระป๋องมันรั่วสิ่งที่มันรั่ว เ, เราก็ใช้กาวอีพ็อกซี่ปิดเอาไว้ใช้กาวอุดเอาไว้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 คอยเลยพราะเขาได้ทีแต่พอวันไหนเขาเสียเปรียบ เ, เขาเสียเปียบเราเขาก็พยายามเกินซ่อนไปละอมลูกสการ์เลยก็เกินลูกสการ์เลยก็ลูกสการ์ไม่ครบไม่รู้หายไปไหนผลที่สุดก็เลิกลากันาทั้งเพื่อเนเลยอื้ไอ้นี่มันโกหกเนี่ยมันหลอกเนี่ยวะมันเกินลูกสการ์เอาเถอะ ข้าจะเอาลูกสกาไปแช่น้ําไปแช่ยาพิษนะก็เลยเอาลูกสกาี่ไปแช่อย่างพิษอย่างร้ายแรงนะแช่อยู่สักสามวันอนะไปห้อยยาพิษซึมซับเข้าไปในลูกสกาเนะี่อจากนั้นก็เอาไปเล่นกันนะชวนไปเล่ น, นพอเล่นเสร็จแล้วไอ้นั่นมันเสียเปียบนะมันก็เกืนลูกสกาเข้าไปในท้องพอเกืนลูกสกาเข้าไปเพื่อนก็ยังเจตนาดีอยู่เลย เ, เพื่อนมันลูกสกามันหายไปไหนเนี่ยถ้าใครก็ตามแนละ้วมันไม่มีกี่คนนะ่ยอยู่ด้วยกันเนะี่ยถ้าใครกืนลูกสกาเนะ่ยระวังให้ดีกันแล้วกันนะ่ะลูกสกาเนะี่ยผมข่าไปเจ้าอาบด้วยยาพิษนะจะไปกืนนะไม่ใช่เอาไปกืนไม่ใช่กืนให้กินนะเอามาเล่นกันนะถ้าใครกืนก็เถอะนะเดี๋ยววันนี้จะเห็นผลแหละนะเออพอาะว่าเท่านั้นนะเนี่ยอีกไม่นานกับตาลีตะเหลือกขึ้นมาทีีึง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 อันไหนที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยเมื่อเราสูงอายุขึ้นมาเราจะทานอันไหนอันไหนต้องคิดต้องดอูไม่ใช่ว่าหมอเ้าห้ามเทไรก็ยิ่งอยากกินมันก็ไม่ได้นะก็ต้องดเอูเพราะว่าจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าเป็นแก่ปากแก่ท้องเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนหลายระดับนะ คณะทตา ญ, ญ่ายโฉมลูกหลานพานเนรทุกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพวกเราที่จะเป็นนักพรตนักบวชต่อไปภายภาคนาก่อนที่จะทานอาหารเราต้องพิจารณาเะก่อนเออเราไม่ได้ทานเพื่อจะให้ร่างกายเนี่แข็งแรงเป็นนักชกนักมวยไม่ใช่อย่างงั้น อ, อ่าเป็นนักปั้มนักมวยอย่างนั้นไม่ใชเออ่เราทานอาหารเพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้ได้บับเพน